วังตะ ว, วัดเย็นเราฟังเตดฟังทำกันนิดนะ่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงผู้ที่ปฏิบัติก็จะเป็นการเรียก ว, ว่าเปรียบเทียบตรวจสอบเอาเทียบเคียงอาการการกระทำกับคำพูดคำพูดกับการกระทำ เคเห็นร่องรอยหรือพัฒนาการบ้างจากที่ไม่อกีได้ยินก็จะได้ยินที่ทำแล้วก็ไม่รู้คืออะไ ร, รฟังแล้วอาจจะเอออาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นตัวนั้นเทียบเคียงไปหลายคนอาจจะสว่างฟังแล้วสว่างขึ้น ผ่อนคลายขึ้นสบายใจขึ้นมันก็เป็นอนิสงการฟังในกระจายกระจายขึ้นมากระจายแล้วอะยิ่งยิ่งขึ้นไปหายสงสัยจิตใจป่องใสวันนี้เราก็ไปทำกันเป็นวันที่สาม นวันที่4ของกำหนดการขัะประจำเดือนเรามีผู้ใหม่ก็คือเพิ่งเข้ามาวันนี้กระล่มต้นดิ่งยาทำความคุ้นเคยปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจเข้าสิ่งแวดล้อมเข้า ว, วิธีของชุมชน ผู้ที่ไปวับมาสามสี่วันแล้วก็ปรับเนี้ยปรับตัวได้ละหลารู้แล้วเช้ากี่โมงตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ทานอาหารตั้งใจไปบัดตามอาบน้ำอาบท้ามันก็จะเหมือนซ้ำๆกันเหมือนเดิมทุกวัน ที่เป็นเป้าหมายหลักของการที่เรามาปฏิบัติกันก็คือการละชั่วการทำดีการชาระจิตว mm hmm. งแห่งความเพียนเลย mm hmm. อะไรที่เรียกว่าไม่ดีก็จะไม่ทำที่นี่อยู่ในศีลอยู่ในกรอบอะไรที่เป็นนิสัยเดิม เราก็ทวนเดิมเดินที่พาให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจพาให้เราหลงเราทวนเช่นตาเราเคยดูสุขสนเราก็สำรวมหูเคยสุขสนหาฟังแล้วก็สำรวมสมองเคยคิดคิดคิดไปแล้วก็สำรวม มือนนั้นเป็นแค่ปุถุชนปลูกถุแล้วก็ชนก็เป็นเรื่องของกิเลสหนาปัญญาทึบ ช, ชีวิตก็ลุ่มลุ่มตอนตอนติดติดกัดกัดเราก็ยกจิตขึ้นมาจากปุถุชนก็เริ่มที่จะมีศีลมีกรอบ หรว่ากล่ อ, องชุมชนนึกจิตขึ้นมาก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนก็ยังมั่วๆกันอยู่แต่พอไปเห็นอะไรบ้างแล้วคนจนเป็นมนุษย์เป็นกาลยานะปุทุชน เลือกได้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่ดีทำแล้วเป็นความสุขเขาเริ่มเป็นปัญญาชนขึ้นมาอะไรไม่ดีแก้ไขให้มันดีวิชาการต่างๆก็แสดงตัวออกมา้ทำอะไรเป็นช่วยเหลือกันคนลไม้กนลเมือจิตอาสาไม่ไปนองรองข อ, ขอใคร เห็นตรงไหนเราก็เสนอตัวเองก่อนไม่ชี้เราพาตัวเองทำอันนี้ก็ปัญญาชนทำดีแล้วก็ไม่ติดดีมันก็เบาทำดียิ่งๆขึ้นไป จนบางที เ, เป็นอัจฉริยภาพขึ้นมาบางคนก็เก่งทางด้านคณิตศาสตร์ไปเลยสมองคิดไวตัวเลขบางคนก็อัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมจิตกรรมดนตรีหรือภาษา บางทีก็แข่งกีฬาเก่งมากเป็นเลิศภระยาหรือบาทีก็เก่งมากทั้งด้านธรรมะอย่างเงี้ยนะเรื่องธรรมะนี่เก่งมากอธิบายเข้าใจหมดปฏิวิตร ก, กี่เล่มหน้าที่เท่าไหร่ของใครแปดหม่นสี่พระธรมะรมกันใช้สมองเก่งมาก ศีกซ้ายีกขวาดัานหน้าดัานในแตละพัดแต่ก็ยังทุกอยู่ดีนะเราก็จึงเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นพระอริยะเป็นอริยชนมันไม่ชนด้วยความดีหรือความถูกความผิดแต่มันว่างหายตัวมันว่างมันหายตัวได้ มันไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูกของ ก, กูมันเป็นแค่สภาวะของธรรมธรรมชาติจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้หรอกเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยต้องอยู่มันก็อยู่เหตุปัจจัยต้องไปมันก็ต้องไปเหตุปัจจัยต้องทำมันก็ต้องทำเหมือเหตุเหนือปัจจัยที่จะทอะไรเราไม่ได้ เห็ุปัจจัยจะทำห้ทุกข์ไม่ได้เมื่อก่อนเราเคยตามใจตัวเองกันจนหูก็จะไปหาฟังจมูกก็ไปหาดมช่วงนี้ช่วงปิดเทอมบางคนก็คิดดีไฟดีไปเรียนพิเศษซัมเมอร์เตรียมเปิดเทอมบางคนก็แตดเตรยเลเฮเลรอน บันไม่กลับดมกาวดมสารที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษติดเหล้าติดนุล่ลีติดยาเสพติดจะเป็นปัญหาสังคมนีม่แหละมันติดได้จากสุวิญญาณติดได้หาดูอะไรมากมายที่มัน ไม่ได้ทําให้จิตหรือปัญญาเกิดการพัฒนาขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างเช่ น, นเด็กๆมากันเยอะนะถ้าเป็นเด็กที่มีความรับผิชอบมีความดีช่วงวันหยุดนี้ได้ช่วยพ่อแม่เยอะมากล้างถ้วยล้างฐานล้างจานซักเสื้อผ้า ถูบ้านรดน้ำต้นไม้ปลวนดินต้นไม้ให้อาหารสัสตว์ต่างๆหมักเอาเบาสู้จิตมันดีอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ไปอย่างนั้นมันจะทำอะไรตามใจตัวเองเพราะว่าเด็กเด๋ยนนี้เป็นลักษณะของ ลูกของพระราชาเป็นลูกคนหนูแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างพระราชามันก็เหลืงหลงหลงตัวเองได้ก็จะมีลักษณะของกิจกรรมแบบนี้แหละอย่างเช่นวันนี้กลุ่มของอบตอแก้งสนามนานก็พาเด็กมาคัดมาหมู่บ้าละสองคน ก็ชวนกันมาดีไฝ่ดีนมโมทนามาฝึกหัดปฏิบัติอย่างเล็กอย่างน้อยสองวันสามวันก็ยังดีกว่าไม่มาเลยพระที่นี้พูดถึงเรื่องการฝึกหัดรู้สึกตัวให้มันเกิดสติเป็นสติปัฏฐานเพราะ ก, กิเลสมักจะเกิดตามสารชาตยานออกไปข้างนอก ตาก็จะดูหูก็จะฟังรูปรถกินเสียงผลตภาพ ม, มาลมมันก็เจริญแบบนั้นไวัยประจันวัยเครหัดววานปลัดวัยสัญญาสีทวันปลัดสัญญาสีก็มันก็ไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาแล้ว5 0สถึงเจสบดสถึง้า มันก็หมดสภาพแต่ว่ามันก็ติดอยู่เป็นเงาอยูงในจิตของเราเป็นล่องลอยลอยทุกรลอยสุขลอยได้ลอยเสียบางทีมันก็แวบๆฉายออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งใจให้มันคิดยิ่งปฏิบัติเราจะเห็นชัดเลย พยายามที่จะฝึกหัดสติให้มันรู้สึกที่ตัวกายมันก็ยังมักจะเผลอแว บ, บหายไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์ปฏิบัติก็จึงต้องผ่านด่านต่างๆมากมายเหมือนกันนี่วรธรรมยางไงนะความโมงเหงาหานอนผ่านได้กันรือยงพอเริ่มยบมือหนาทีสิบนาทีมันก็จะไปติดด่านนี้นก่อน หง่วงซสมเบื่อเซ็งแต่ถ้าหล า, หลายวันแล้วมันก็ผ่านแล้วล่ะแต่ว่าคนเก่าๆก็ลองพยายามหน่อยต่อยอดขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บัน รักสติหัมยาวๆต่อเนื่องกันกำังบั่นความคิดออกไปรักยาวให้บัน่นจะได้มีสติเอวยา ว, ยาวบั่นความคิดออกไปรักสั้นให้ต่อ mm hmm. ถ้าความคิดมันจะสั้นๆก็ต่อความรู้สึกตัวหัมยยาวๆออกไป mm hmm. มันตรงกันข้ามแบบนั้นนะ ทำไมรู้สึกกายแล้วไป่างตาทางหูจะบกลล้นมันคล่องตัวมากเหมือนกับมีลูกสุนัขตัวหนึ่งสุกสนก็เดินออกมาจากแม่ไปดมซากศพมนุษย์มนุษย์ตายอืดตากระปนลิ้นก็ แผลออกมาปากก็ไปเหยืน้ำเหลืองไหลสุนักเห็นอย่างเงี้นก็สุกสนมาดมดม ด, มดูแม่ก็ถามลูกทันทีทำอะไ ร, รอ่ะรัวแม่แม่เนี่ยดูตามนุษย์เดียถ้าทางจะอร่อยนะขอกินตามนุษย์สักหน่อยนะโอ้อยานะยันะลูก ตามนุษย์นี่มันสุกซนมันเทียบไปหาดูวัตถุกรรมมุคนเดสีตีเปาที่ไหนไปที่นั่นมีหมอลำที่ไหนไปที่นั่นมีการประนันที่ไหนมันไปดูที่นั่นอย่าไปกินนะตาเนี่ยกินแล้วจะไม่มีความสุขเลยแหละถ้่งั้นดูสิแม่หูก็สวยนะถ้าทางจะกรุบๆบดี โอ้ลูกเอ้ยหูมนุษย์เนี่ยนะมันเอาแต่ฟังเสียงนินทาอิจฉาลิสยาดูด่าว่ากาวกันฟังชอบไปฟังเวลาเขาตื่นข่าวที่ไหนมีข่าวที่ไหนแล้วไปเงี่ยหูฟังเขาคนเขาว่าเราเขาทะเลาะเรา ก็ปกติก็เรารู้ว่าไม่ชอบยิงไปฟังพอฟังแล้วก็ทูกใจลูกอยไปกินมันเลยหูัวอุบาเหรอแม่เหรอโอ้ไม่ดีเลยเนาะหูไม่ดีอ้างั้นกินลิ้นดีกว่าลิ้นเนี่ยถ้าทางจะนุ่มนะโอยลิ้นมนุษย์น่ะเหรอมันปิ่นปนตลบตะแลงเชื่อมันไม่ได้เลยอะ แล้วอย่างนี้ยังจะไปกินอีกเหรอโสมก็ปลวกกินอะไรไม่ได้เลยล่ะแม่ถ้างั้นกินหัวใจมนุษย์ดีกว่าแม่ร้องเสียงหลงเลยโอ้ยิ่งหัวใจนี่จะไปกินมันลายลึกหัวใจมนุษย์ปากอย่างใจอย่าง ชอบใส่หน้ากาเขาหากันใจคิดจะฆ่าคิดจะ เ, เปรียบอิจฉาริษยากันมนุษยนะ์ต่อหน้ามันก็ว่าดีรับหลังก็นินทาใจมันนั่นนะเป็นอย่างนั้นโอ้ยอยากกินเลยว่าแล้วก็แยกเกี้ยวแห่ใส่ลูกถ้ากินแล้วก็งับเดือ ลูกสุนัข ก, ก็เลยโอ้ม oh. นุษย์นี่ไม่มีอะไรดีสักอย่างนะโท่ไอชาติมนุษย์มันด่ามนุษย์นั่นะโทษไอชาติมนุษย์มนุษย์ชอบดา่าไอชาติหมาโดนหมาดาม่าอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเราก็เห็นอย่างนั้นนะวเวลาไปดอูตาม ก็อยาดูไปแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวเราจะเห็นว่ามันสักตะวานะเวลาเรารู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันจะเห็นสักตะวันเห็นมันเป็นไปได้พราะจิตมันไม่ได้คิดปรุงแต่งต่อมันดูเฉยๆมันไม่ได้ดูแล้วก็ตีค่าเป็นสมบัติบัญญัติ ต้นไม้ต้อนอะไรผู้ชายผู้หญิงจัดสาลาสิ่งมันเห็นเป็นวัตถุขณะที่รู้สึกมันเห็นเป็นวัตถุเคยมีอยู่ทีหนึ่งสมัยนั้นเคยบวชใหม่ๆอยู่มีโอกาสที่ไปภาคใต้กับหลวงพ่อมเขียนไปที่เกาะพังันเสร็จแล้วไปที่วัด ถ้ำจะมีฝรั่งคนหนึ่งก็นั่งสมาธิตายในถ้ำนั่งสมาธิตัวแข็งเลยที่นั้นจะมีหลวงตาแก้วอยู่เป็นเจ้าอาวาสครา น, นี้พระอีสานไปทางทางใต้ก็พังงานหลวงตาแก้วก็ใจดี พาหลวงพ่ออมเขียนนั้นไปหาเปลือกหอยทะเลเป็นหอยมือเสือใหญ่มากบางเปลือกเนี่ยเด็กลงไปนั่งได้เลยทั้งคนเลยก็นี่มันจะมีขายอยู่ตามร้านอาหารทะเลคือก็เาเนื้อไปขายแล้วก็เก็บเปลือกกันเอาไว้ก็มีร้านหนึ่งขณะเดินเข้าไปก็มีฝรั่งแก้ผ้าอาบแดดกัน ชายฝั่งเต็มไปหมดเลยโยมะเสร็จแล้วอาตมาเป็นผ้าเบวดใหม่ก็เดินแบบสำรวมเต็มที่ไม่ดูก็เดินจงกลมเข้าไปเลยล่ะจิบจิบจิบแต่เห็นสังเกตว่าชายตาไม่แอบแบป๊บแปบแป๊บแบแบป๊บแบไปดูนะเงาๆเห็นอยู่ว่าแล้วสังเกตหลวงพ่อเขียนท่านมีอัปปะเกรียาอย่างไร ในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็ไปเขตอาโคจรเขตอาโคจรอก็คือไมอ่ไม่ควรไปก็ค่อยๆเงยมองหลวงพ่อดูปรากฏหลวงพ่อเนี่เปิดตาเต็มที่แล้วก็ดูเต็มที่ด้วยดูแล้วาโอ้ส <c oughs> ามาดูให้เกิดปัญหาหรือว่าดูให้เกิดปัญญา มันดูได้สองมุมนะท่านดูแล้วเกิดปัญญาโอ้คนก็ก็ชอบแบบนี้กันเนาะโอ้ก็ชอบแบบนี้กันเนาะก็คือถอดผ้าอาบแดดใช่ไหมไม่เป็นปัญหาใช่ไหมก็ดูเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกตัวนายกตัวอย่างให้ฟังเราเข้าใจ เราก็จึงเห็นบรรยากาศของกาลยานมิตรนะที่แสดงทําให้เราดูมากมายแลือเกินเช่นต้นไม้ไก่มากมายแลือเกินศาลาสิ่งฝนนี่ฝนตกแสดงทําให้เราดูธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติแต่คำว่าดูคือไม่เข้าไปเป็นดูและเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเหมือนดู คลื่นที่มันซัดชายฝั่งหายไปที่ชายทะเละไม่เปียกแต่เมื่อก่อนเราลงไปเล่นด้วยความคิดทุกความคิดเป็นเราเหมดเลยคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังกลายเป็นเรารักเราชังคิดแล้วโกรธกลายเป็นเราโกรธกลุ่มเป็นเรากลุ่มกังวลเป็นเรากังวลคิดอะไรก็ตามเป็นเราทั้งหมดเลย เดี๋ยวไปอดีตเป็นล้วงเอาความสุขซึ่งเป็นสรางเก่าๆเอามาเสพอีกความภาคภูมิใจในอดีตเอามาเสพอีกมันก็เลยไม่ได้ความสุขเป็นธรรมรสที่ปัจจุบันธรรมชาติที่ปัจจุบันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ า, นามันมีให้เราได้รับรู้น้อมกับมาศัยตนเราประกอบ เป็นชีวิตจีวาถ้าเป็นความคิดก็คิดพูดในเมตตา <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องของท ร, ร ม, มันก็คิดแล้วก็ทำในเมตตาจะเป็นคิดมันก็เป็นคิดดีตั้งต่อหน้าและรับหลังมันก็มีข้งมันอยู่เราก็จึงไม่ขาดไม่แคลนไม่อดไม่ยาก มันมีสติสติเราลึกเอาปัญญามาใช้เมื่อมีสติสติเราลึกเอากุณธรรมมาใช้ความอดทนอย่างเงี้ยอย่างวันนี้มีไหมปฏิบัติธรรมเราเราลึกเอาความอดทนมาใช้มีไหมเช่ <c oughs> นมันเมื่อยแล้วเรารู้แล้วมเมื่อยเราก็อือีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมีไหม บอกกับตัวเองเดินจงกรมก็เหมือนกันฝนมันตกแล้วอย่างเงี้ยนะเอาลมากลางเดินอีกนิดหนึ่ ง, อ, งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมีไหมหรือว่าฝนพอลมพัดฟืดอะไรนะโอ้วิ่งแนบเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วอย่างเงี้ยมันต้องดูก่อนนะดูหน้าดูหลังนิดนึง บางทีฝนยังไม่ทันตอกเลลมแรงนะอ้านักวิวาทายไปไหนสงสัยลมพัดไปหมดแล้วมึงมาดูอ้อนั่งน้ำลายหยดน้ำลาย ย, ย, ย้อยห้อยอยู่แถวนี้แหละนั่งหลับกันเออเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันจ้าจาได้พลาเล่มงานไม่เป็นไรรอได้คอยได้ เมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยนะวิชามันเกิดขึ้นมาคือมันรู้แล้วรู้ถูกรู้ไหมเนี่ยขณะยกมือเนะออรู้รู้ถูกวิชาเกิดศรัทธามันก็เกิดขึ้นมาความเชื่อออเนี่ยพอใจของเราเรามารู้สึกตัวเนี่ยมันก็เกิดความเป็นปกติขึ้นมาเลยนะนยมันไม่ได้ทุบกับความคิดปัญหาเก่าๆไม่ตามมาพอศรัทธาเกิดขึ้นมา จิตใจก็สบายเลื่นเริองรอะไรแีปฏิบัติแล้วสนุกก็เลียกปลาโมดก็เกิดขึ้นมาก็จะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆพาเราดําเนินไปสู่ทางผลทุกข์เป็นจิตที่มันมีความสุขเกษมคิดปับกลับมาได้โอ้อริยะเช่นนั้นไงขณะจิตนั้นน่ะเรียกว่าเป็นภาริยะขณะจิตเดียวก็เอาขณะเผลอหลงปรับรู้ทันกลับมาได้โอ้บีมุด มดหลุดพ้นราวนี้เราทําให้มันจำนานต่อเนื่องเชื่อมโยงบ่อยๆเบืนนาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งคิดหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งคิด10บครั้งรู้สิบครั้งคิดร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งเอ้าใหม่ๆรู้สักหครั้งก็ยังดี10บครั้งก็ยังดีคิดร้อยครั้งแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยเดินก็เดินฟีฟรีนั่งก็นั่งฟรีฟรีแต่ตอนนี้นั่งก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัว จะไปไหนทำอะไรก็รู้สึกตัวไม่ฟรีเริ่มเห็นแล้วว่าที่ของเราเริ่มมีความว่องไวเป็นเรื่องของสติที่รู้เท่ารู้ทันอารมณ์เราก็จึงไม่หันหน้าหันตาไปทางอื่นเห็นแล้วเห็นอีกดูแล้วดูอีกเกิดอะไรมากมายแต่ว่าเรายังไม่ให้ชื่อมัน มองเปาาน็นอาการเกิดดับทั้งหมดมีคนมาถามว่าเนี่ยเวลาที่ความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องไปหาไหม่ว่าเหตุที่มันเกิดความคิดเนะี่ยมันเกิดตรงไหนอย่างไรหรือว่าเวลาความคิดมันดับไปแล้วเนะี่ยจะต้องไปสาวหาไหม่ว่ามันเกิดยังไงกระบวนการของว่าบอกไม่ต้องนะเราไม่ต้องไปสนใจใส่ใจเลยแล้วก็แล้วไปเลยนะให้เป็นขณะใหม่ขณะใหม่ตลอด ความคิดมันเกิดกันมาเหมือนกับบวนรถไฟเหนะมือนก็เรานั่งอยู่ข้างทางดูรถยนต์ก็ได้เอาเวลาเราปฏิบัติเหมือนอย่างนั้นมันวิ่งผ่านไปผ่านไปแล้วก็แล้วไปขานแล้วขาดเราเราก็ดูมันผ่านแล้วผ่านไปจะไปหารายละเอียดทั้งหมดไม่เอาเลยดูแล้วขนาดจะเบาจะดูความคิดนะนะก็ไม่ติดความคิด แต่ว่าใหม่ๆนี่มนไม่ต้องไปหาดูมันกลับมาปลุกแล้วความรู้สึกขนาดเคลื่อนไหวที่กายนะอย่างเดียวเลยต่างเปลวะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกยังมีคำบริกรรมกันอยู่ไหมนะเช่นหนึ่งสองยุบหนอพองหนอสัมมาละหังพุทโธนะให้เหลือแค่สัมผัสอย่างเดียวนะสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึก บางทีเราจะมีนิสัยความคุ้นชินที่คุ้นชินก็โดยเหตุที่ว่าเคยฝึกกันมาบริกรรมยกหนอย่างหนอเหยียบหนอมันก็เลยตามมาบางคนมีนะเห็นหนอฟังหนอได้ยินหนอสารพัดนั่นนะ่ะมันจะเกิดขึ้นมสมัยพุทธกาลมี ชือคนคนหนึ่งพาหิยะพาลุจิริยะคนคนนี้นี่เป็นเอากคตะเลยนะเป็นเอกเอกกาคตาทางด้านตัดสู้ที่เร็วที่สุดในโลกทําให้ถึงเร็วคือพอได้ยินได้ฟังก็สามารถตัดสู้ได้เลยแต่ก่อนจะได้ยินได้ฟังโอ้หบิ้งมาเป็นวันเป็นคืนเลยนะ ทำไมต้องวิ่งมามันมีเหตุพายญาีิเป็นพ่อขาลองเรือสำเาล่าทีนี้เรือมาอับบางพายาเรือแตกฮะดำผุดดำว้เสื้อผ้าหลุดลุย่ยแขกฮะคงจะมีชุดลงลุงลั ง, ง, งอยู่พอตกน้ำนเคลื่อนเอาไปกินนะเสร็จแล้วปรากฏว่า ไปเกยใช้ฝั่งภยะสลบสไลยพอฟื้นขึ้นมาเอาเศษไม้เศษใบไม้เอาผ้าชิ้นเล็กๆอะไรประเภทนี้ปิดเอาไวัยวะส่วนที่ควรละอายรูปร่างใหญ่มงดงามคนมาเห็นก็โอ้โหนักษล่ลนี้ต้องเป็น พระอาหารแน่แน่เลยปรากฏว่าพระภายยะนะตอนนั้นเป็นภายยะเฉยเนี่ยได้ราบสการะแล้วแยไปหมดคนเอาอาหารมาให้ภายยะรู้สึกสบายดีตอนหลังมีเพื่อนก็เรียกว่าเทวดานะมาเจอเ้าแล้วก็บอกว่าท่านไม่ใช่พระหานนะพระหานเน่ยนุษอโตเมเบสสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ตอนนี้อยู่เมืองใกล้ๆเนี่ยแหละภัยยับได้ยินกันว่าพระลาหาันแล้วก็อ้สมเด็จสมามุเจ้าเลยเสด็จมาอยู่ใกล้ๆก็ใครที่จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็เลยวิ่งก็คืดก็หอไปกลางคืนก็ไม่ได้พักตำราว่าอย่างนั้นนะคืออามาก็ไม่รู้จักท่านหรอกไม่เคยเจอเพี ย, ยงแค่ว่าตำราว่าไว้ ว่าอาจารย์ก็บเราทีนี้ตอนเช้าไปเจอพระองพระองกําลังบินทบาตอยู่ระหว่างบิณทบาตภัยยะก็ดักหน้าเลยแต่แล้วก็กลาบทูลถามว่า <c oughs> เป็นพระหรหันต์นี่ยเป็นยังไงนะทำที่ทําให้เป็นพระหรหันต์น่ยเป็นยังไง พก็ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้เราบิณฑบาตก่อนได้หมแต่เดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จแล้วเราค่อยมาตอบก็ได้ท่านไปที่คุณติก่อนได้ไหมพยาก็ถามอีกว่าทำที่ทําให้เป็นพระอรหันต์นั้นเป็นยังไงทําให้เกิดการตัดจรู้ธรรมนั้นเป็นยังไงพระเจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาให้เราบิณฑบาตก่อนพยากเลยถามว่าแล้วเราจะไม่รู้ได้ยังไงว่า เมื่อท่านไปเดินพิบาศแล้วกลับมานะเราจะได้เจอกันมันจะ ม, มีใครคนใดคนหนึ่งตายจากกันไปซะ ก, ก่อนหรือประมาทได้ยังไงเมื่ออ้างถึงความตายพระเจ้าก็เห็นด้วยถ้าเกิดเราจากกันไปไม่พูดตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตายจากกันก็นได้อีกกรณีหนึ่งก็คือให้ภรรยาหายเหนื่อยก่อน ให้จิตมันไม่มีความอยากมากเกินเหตุเพราะถ้าอยากมากเกินเหตุเนี่ยมันบรรลุทารไม่ได้หรอกมันอยากมันกลายเป็นตันหาธรรมะตันหาตันหาพาธรรมตันหาพาคิดตันหาพาพูดตันหาพารำมันไม่ใช่เรื่หนาของธรรมะตันหาก็เลยดูจิตัูใจของพระไพยะ พอได้จังหวะก็เลยบอกเลยว่าภายะตั้งใจฟังนะเธอจงสมเนียกว่าเห็นศัจธวรมเห็นยินก็ศักธวรม ย, ยินก็คือได้ยินจะไม่มีเธอในโลกนี้และโลกหน้าแล้วในโลกไหนไหนก็ตามปรากฏว่าบรรลุเป็นพาาระอรหันต์เลยขนะนั้น ประโยคนี่แหละที่ทำให้เกิดเป็นพระหลานขึ้นมาใวมากแต่ก่อนที่ท่านภายะจะได้ได้ฟังธรรมแล้วก็ตัดสรู้เนี่ยคกอก็ปฏิบัติมาเล้ละเป็นวันเป็นคืนการวิ่งการที่ไม่นอนทั้งคืนจิตมันก็ไม่สมดุลหรอกแต่พอมกลายกลายกลายกลายยมาสมดุลพอฟังธรรมปั้มกับพัวเลยเข้าประตทันทีมันก็ช่วยลูกโทษเข้ามาโตไปเลย เราก็เออเนะพุทธประวัติมันมีแบบนี้ด้วยในหมวดที่เราพัดสูตรเป็นเรื่องของสิทธาอนุสิ์สาวกอญญายะสาวกที่บรรลุธรรมได้สูตรอะไรอะไรเลยเป็นคาถาว่าไว้เราฟังเร้่ ม, มีกำลังใจแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยจะต้องสังเกตด้วยจิตของเรามันไม่ปกติเป็นยังไง มันบวกเป็นยังไงมันลบเป็นยังไงไม่ปกติสุขมันก็เป็นไม่ปกติทุกข์ก็เป็นไม่ปกติสุขนี่ฆ่าคนได้นะสุขนี่ฆ่าคนได้เหมือนกับความเย็นความเย็นนี่ฆ่าคนได้ความร้อนความร้อนก็ฆ่าคนได้เฉะนั้นสุขกับทุกข์นี่ฆ่าคนได้ทั้งคู่โบราณนะท่านเปรียบเทียบไว้ว่าสุข เปรียบเหมือนกับหัวงูเราจับหัวงูหัวงูกัดทุกเปรียบเหมือนหา ง, งูจับหางงูเราก็โดน ง, งูกัดโดนทั้งคู่เลยมันทำํไทำไงทาให้เราเหมือนกับว่าลิ้นของงูอยู่ในปากงูแต่ไม่โดนเขี้ยวงูโดนพิษงูตัวเองไม่กัดตัวเองทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยเนะี่ยมีหลัก การทำให้จิตของเรามันปกติไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ผิดปกติกคือรู้สึกตัวจะนั่งก็รู้สึกตัวจะเดินก็รู้สึกตัวจะกู้เหยียดเคลื่อนไหวหันซ้ายแลขวารู้สึกตัวจะเข้าห้องน้ำห้องท่ารู้สึกตัวจะกินก็รู้สึกตัวจะขับถ่ายทำอะไรก็ทำแต่ว่าให้มีความรู้สึกตัวเป็นกรรมฐานอยู่ตลอดอย่างเนี้ยแล้วมันก็เป็นจริงด้วย ใครสังเกตที่ตัวเราทุกมาลดจริงไหมมาอยู่ที่นี่หลายคนบอกมาอยู่ที่นี่แปลกมีความแปลกก็คือไม่ต้องทานข้าวเย็นแล้วก็ไม่หิวเป็นไหมโยมเป็นไหมแล้วรู้สึกมีความสุขตงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะแค่นั่งยกมือนะมีความสุขมีไหมใครมีงี้ยกมือแล้วก็มีละหล่ำแหลมหลม่แหลมอย่างีนะ้ ใครเดินแล้วคิว่เออวัด น, นี้ดีจังน่าจะอยู่บททีมันที่นี่เลยไม่กลับบ้านแล้วเนี่ยมีไหมมีไหมส่วนใหญ่ก็จะมีทุกรุ่นนั่นนะอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจไปในความคิดปรแบบที้มันหลอกลวงให้มารับรู้สัมผัสความรู้สึกตัวตรงนี้ของจริงเป็นการบทที่แท้จริงเลยอย่าไปต้องโกนหัวโกนคิ้วนุ่งหอมผ้าขาวนุ่งผอมผ้าเหลืองไม่ต้องทํ า, า, าหทเหมือนการวิชาเดียวกันอันนี้เรียกว่านักเรียนในเครื่องแบบ อันนี้เรานักเรียนอนอกเครื่องแบบมาเรียนรู้วิชาเดียวกันวิชากรรมฐานมากี่คนทั้งมันมารับหมดแต่จบกี่คนนน่าสนใจคนเดียวก็มีประโยชน์ก็ดูอินเดียประเทศอินเดียนะโอ้สมเด็จสามาวเจ้านะ่ะคนเดียวแท้ๆเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้คนหลั่งไหลกันเข้าไปชาวพูดไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านคนห0 0้อยล้านคนก็เข้าไปดูมันมี หลักฐานจริงหรือเปล่าที่นี่ใช่ไหมไปต้นโพพระแท่นศิลาอารที่นี่ใช่ไหมที่มรณภาพที่นี่ใช่ไหมที่ตัดจัลุที่สอนธรรมก็ไปดูกันมันก็ยังมีซากอยู่พอให้เราจะเหมือนกับว่าเชื่อได้ถ้าเชื่อไม่ได้แสดงโกหกระดับโลกกันแล้วเพระฉะนัปีนี้น่เป็นปีที่ พระศาสนาเวียนมาครบ2600น 2, ปีกลิ่นไอของศัสนาเรื่องการบรรลุธรรมยังมีอยู่จริงๆและเรื่องของทั้งเอกหนทางเดียวสู่การรู้แจ้งมหาติฏฐานสูตรการเห็นกายทางความเป็นจริงนี่แหละตรงนี้แหละมันมีทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมพร้อมหมดเลยให้เราได้เรีย น, นเราก็จึงไม่เสียเวลาแล้วก็พยายามที่จะเรียนลัดลงไป รู้ลัดลัดรู้ตรงตรงรู้สื่อสื่อรู้เฉยเฉที่กายของเราทุกๆกขณะนะแล้วเห็นว่าพูดมาก็สมควรแก่เวลาเราก็การาบพร้อมกัน